บทสรุปแม่เจ้าทั้งหลายธรรมคือปาติเทศนิยะแปดสิกขาบทข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วข้าพเจ้าขอถามแม่เจ้าทั้งหลายในธรรมคือปาติเทศนิยะแปดสิกขาบทเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายผู้บริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สองว่าแม่เจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สมว่าแม่เจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือ แม่เจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วในธรรมคือปาติเทศนิยะทั้ง80ดสิขาบทเหล่านี้เพราะฉะนั้นจินนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ปาติเทศนิยะกันในพิคุณีวิพังจบ